จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุงใจกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราชสอง2ันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัด เพื่อมาทำภารกิจทางด้านจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตจะสุขหรือทุกข์ที่ไหนก็ไม่สุขหรือทุกข์เท่ากับสุขและทุกข์ที่ใจเพราะใจคือความสุขและความทุกข์ของใจนี้มีอนุภาพ เหนือความสุขความทุกข์ของสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆนั้นถึงแม้จะสุขหรือจะทุกข์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์เข้ากับความสุขความทุกข์ทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้จะชุบทุกข์กับเรื่องต่างๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าใจทุกข์แล้ว ถึงแม้จะมีความสุขกับเรื่องต่างๆความสุขต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกปลดเปลืนไปหมด mm hmm. เช่นความสุขของร่างกายร่างกายอยู่อย่างปกติได้รับประทานอาหารอิ่มน้ําสำราญมีบ้านพักอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าใจไม่สบายขึ้นมาแล้วความสุขทางกาย ก็จะถูกกบเกลื่อนไปหมดคนที่มีความทุกข์ทางใจมากๆถึงแม้จะมีขรารา์อันใหญ่โตมีราษาราชวังมีเงินมีทองมีบริษัทบริวารมีสมบัติข้าวของเงินทองมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะก็จะ ไม่มีไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยถ้าใจทุกข์เสียอย่างถ้าทุกข์มากมากก็ถึงอยากจะทำลายชีวิตของตนเองคนที่รวยนี้ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่เหนือความทุกข์นะคคนจนก็เช่นเดียวกันก็ต้องอยู่ภายใต้ความทุกข์เหมือนกันความทุกข์ใจนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่รวยหรือที่จนแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใจมีบุญหรือบบาบมีกุศลหรือมีอกุศลอยู่ภายในใจถ้ามีบุญมีกุศลอยู่ภายในใจแล้วก็จะมีความสุขถ้ามีแต่บาบมีแต่อกุศลอยู่ในใจใจก็จะมีความทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำบุญที่วัดกันก็เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ใจและมาละบาปและอกุศลที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลงไปเพราะถ้ามีบุญมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้น ละบาปละอกุศลได้มากเท่าไหร่ก็จะตัดความทุกข์ให้เบาบางลงไปเท่านั้นดังนั้นเราจึงควรให้สำคัญต่อการดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ตายไม่จากเราไปใจนี้อยู่กับเราไปตลอด ใจเป็นคู่ครองของเราที่แท้จริงส่วนอื่นสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นนี้ไม่ใช่คู่ครองของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่คู่ครองของเราสามีภรรยาก็ไม่ใช่คู่ครองที่แท้จริงของเราสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องจากเราไปหมด เหลืออยู่แต่ใจเพียงดวงเดียวใจที่จะให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับเราถ้าใจเรามีบุญมีกุศลก็จะให้ความสุขกับเราถ้าใจเรามีบาบมีอกุศลก็จะให้ความทุกข์กับเราดังนั้นเราจึงควรมาสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ใจและตัด บาปและอกุศลต่างๆให้หมดออกไปจากใจใจของเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อใจของเราไม่ไม่คิดการกระทําบาปไม่มีอกุศลการคิดกระทําบาปก็คือการฆ่าคิดจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพุตผิดประเวณีพูดปดมดเท็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 เช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่จะพาให้ใจไปสู่ผ่านทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ไดเช่นเงินทองหรือตำแหน่งต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ หรือการสรรเสริมเยินยอรหรือความสุขที่ได้จากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผู้ทัพอชนิดต่างๆล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะอ่อยทุกเพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของใจนั่นเอง ได้มามากน้อยเพียงใดก็จะต้องหมดไปในที่สุดในขณะที่ได้มา <c oughs> ก็มีความห่วงมีความกังวลที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้มาไปและต่อให้ห่วงให้กังวลให้ห่วงขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็ว สิ่งต่าง ๆ, ๆที่ใจได้มาครอบครองก็จะต้องจากใจไปหมดพอร่างกายนี้จากใจไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเช่นเดียวกันพอคนตายแล้วใจแยกออกจากร่างกายแล้วใจไปเกิดใหม่แล้วใจเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย ใจเอาลากรถสเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปไม่ได้เลยเอาไปได้ก็เพียงแต่บุญและกุศลหรือบาปและอกุศลท่านั้นถ้ามีบุญมีกุศลติดตัวไปก็เหมือนมีเงินทองติดตัวไปถ้ามีบาปมีอกุศลติดตัวไป ก็เหมือนมีหนี้ติดตัวไปมีใครอยากมีหนี้บ้างมีใครไม่อยากมีเงินบ้างเวลาเราไปไหนเดินทางไปไหนสิ่งแรกที่เราคิดถึงก็คือเงินทองแล้วว่ามีเงินทองติดในกระเป๋าหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะไปไม่รอดไปไม่ถึงไหนไม่มีเงินไม่มีทองนี่ก็ต้องเดินไป รถจะขัดไปก็ไม่มีน้ามันเติมเพราะไม่มีเงินซื้อน้ามันมาเติมและเช่นเดียวกับหนี้เราก็ไม่มีใครอยากจะมีหนี้กันเพราะเวลามีหนี้แล้วมันทุกข์ทรมานใจเพราะจะต้องคอยหาเงินมาใช้หนี้จะต้องคอยหลบเจ้าหนี้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีปัญญาใช้หนี้ก็จะต้องหนีเจ้าหนี้ เพราะเจ้านี้เขาจะตามมาลงโทษนั่นเองฉันใดบุญกุศลนี้ก็เป็นเหมือนเงินเป็นทรัพย์ภายในเป็นเงินของใจส่วนบาปและอกุศลนี้ก็เป็นเหมือนหนี้ของใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราสะสมแต่บุญกุศลให้สะสมทรัพย์ภายในและให้ละ บาปละอกุศลคือละนี่ภายในนี้เองอย่าไปสร้างนี่ไว้เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วต้องใช้นี่ที่เรียกว่าใช้เวรใช้กรรมนั่นเองชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งสองส่วนคือได้รับผลของบุญที่เราทำมาในอดีตและรับบาป รับผลของบาปของอกุศลที่เราทำมาในอดีตเช่นเดียวกันเวลาที่เรามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเรากำลังรับผลของบุญที่เราทำเอาไว้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นเวลาที่เราใช้หนี้ ของบาปกรรมที่เราทาเอาไว้ถ้าเราไม่สร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้เราก็ไม่ต้องใช้นี้ของบาปของกรรมถ้าเราทําแต่บุญสร้างแต่กุศลเราก็จะได้รับแต่ผลของบุญและกุศลเขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างมาหาเราเองโดยที่ไม่ต้อง ไปแสวงหาแต่อย่างใดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัดสาวกทั้งหลายท่านได้ตัดนี้ตัดบาตัดกรรมจนหมดสิ้นไปจากใจของท่านแล้วท่านจึงมีแต่ผลของบุญที่เกิดขึ้นกับท่านจิตใจของท่านมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาส่วนผลของบุญหรือของบา ที่ท่านเคยทำไว้ในอนดีตก็ตามมาได้เพียงที่ร่างกายของท่านแต่ไม่สามารถตามเข้าไปถึงในใจได้ใจของท่านจะไม่ทุกข์กับผลของบาปที่เกิดขึ้นเช่นจะมีใครมาปองร้ายมีใครจะมาทำลายท่านก็จะทํลายทาลายได้เพียงที่ร่างกายเท่านั้น แต่ไม่สามารถไปทำลายหรือทำลายจิตใจของท่านได้จิตใจของท่านมีบุญมีกุศลเต็มที่แล้วไม่มีพื้นที่ให้บาปคือความทุกข์ความวุ่นวายใจเข้าไปอยู่ในใจได้เลยเหมือนกับรถยนต์ที่เวลามีคนนั่งจนเต็มที่แล้ว ไม่มีไม่สามารถให้คนอื่นเข้าไปนั่งได้อีกแล้วฉันใดบุญใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลจนมีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจท่านได้ละได้กบจัดบาปและอกุศลทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วใจของท่านจึงมีแต่ความสุข โดยถ่ายเดียวไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านก็ดีหรือบุคคลที่ท่านรู้จักก็ดีหรือมีความสัมพันธ์ด้วยก็ดีเช่นบิดามารดาเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับบิดามารดาหรือเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านนี้ท่านจะไม่มีความทุกข์ภายในใจเลย เพราะอำนาจของบุญกุศลที่ได้สะสมมาไว้นี่จะคอยปกป้องจิตใจและจะป้องกันไม่ให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการสร้างความทุกข์นี้เองเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเลยเพราะรู้ว่าเป็นความทุกข์นั่นเองมีใครอยากจะแก่บ้างมีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมีใครอยากจะตายบ้างมีใครอยากจะพัดพรากจากกันบ้างไม่มีหรอกแต่ทำไมเราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันก็เป็นเพราะว่าเรา ไปสร้างบาปสร้างอกุศลไว้นั่นเองพอเราไปสร้างบาปสร้างอกุศลแล้วมันก็พาให้เรามาเกิดกันสิ่งที่พาให้เรามาเกิดก็คืออกุศลเช่นกิเลสตัณหานี่เรียกว่าเป็นอกุศลความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากชนิดต่างๆที่มีอยู่สามชนิดด้วยกันคือกามตัณหา ความอยากในการคือในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากมีอยากเป็นก็คงจะรู้กันอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีตำแหน่งสูงๆอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ภายในใจแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะถูกความอยากเหล่านี้ฉุดลากให้ไปเกิดใหม่จะไปเกิดที่สูงที่ต่ำก็อยู่ที่บุญหรือบาทที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็น หน้าที่หรือเป็นวาระของบาปเป็นตัวพาไปก็จะพาไปสู่อบายถ้าเป็นวาระของบุญพาไปก็จะพาไปสู่สุกติไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมและไปสู่ภพของมนุษย์ไปด้วยบุญพาไปถ้าไปอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต ไปตกนรกก็ไปเพราะอำนาจของบาปพาไปถ้าใจไม่มีบาปแล้วมีแต่บุญและไม่มีอกุศลแล้วใจก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่ในพระนิพพานเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกทั้งหลายดังนั้น หน้าที่ของพวกเราถ้าเราปรารถนาะที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทรมานใจหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาชำระบาปมาชำระอกุศล ม, มาตัดกิเลสความโลภความโกรธความเหมนือมาตัดตัณหาความอยากต่างๆ ความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งเหล่านี้เราต้องตัดให้หมดไปจากใจถ้าเราไม่ตัดแล้วเราก็จะต้องถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากเราไปถ้าเรายังไม่สามารถตัดอกุศลได้หมดอย่างน้อยเราพยายามตัดบาปไปก่อนพยายามรักษาสี่งห้าไว้ให้ดี พอต่อไปเวลาเราตายไปถึงแม้เรายังตัดความอยากต่างๆไม่ได้ความอยากต่างๆก็จะไม่ลากฉุดลากเราไปเกิดในอบายเพราะเรามีบุญคอยพาเราไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในสุขติทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองเพราะพะพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดี พระอริยสมสาวกกดีท่านไม่สามารถช่วยเราได้ท่านไม่สามารถพาเราไปได้ท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นดังที่ได้พูดไวเมื่อกี้นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลและให้ตัดให้ละบาละอกุศล ท่านสอนให้เราได้เพียงเท่านี้ทำให้เราได้เพียงเท่านี้เราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราไม่ทาตามเราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงได้มีเราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้กระทำ เราต้องเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลเราต้องเป็นผู้ละบาละอกุศลให้หมดไปจากใจและก็ไม่ได้อยู่อยู่สุดวิสัยของพวกเราไม่อยู่เหนือความสามารถของพวกเราพวกเราทุกคนสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้สามารถละบาสามารถตัดอกุศลต่างๆได้ เพงแต่ขอให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาท่านั้นเถิดขอให้เรา เ, เชื่อว่าการกระทดาดังที่พระพุทธเจ้านี้มีผลดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้และมีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของเราเพราะใจของเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ทรมากับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ใจของเราไม่ต้องทุกขทรมานกับเรื่องของคนนั้นของคนนี้อย่างที่เรากำลังทุกทรมานกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะใจของเราขาดบุญขาดกุศลที่จะมาขับไล่ความทุกขทรมานใจต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจนั่นเองดังนั้นเราควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆ การสร้างบุญสร้างกุศลนี้สามารถสร้างได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่จาเป็นว่าจะต้องมาวัดแต่การมาวัดนี้จะทำให้การสร้างบุญสร้างกุศลนี้ง่ายขึ้นเพราะมีเพื่อนมีกัญยาณมิตรมีครูบาอาจารย์คอยคอยชวนคอยดึงไป ถ้าอยู่ลำพังคนเดียวบางทีเราจะมีเพื่อนไม่ดีพาเราไปทาง อ, อื่นเพื่อนไม่ดีก็มีทั้งสองส่วนคือเพื่อนภายนอกและเพื่อนภายในถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีเพื่อนภายนอกแต่ยังมีเพื่อนภายในที่ไม่ดีอยู่คือความคิดที่เป็นอุปสมทั้งหลายเช่นความคิดที่จะคิดเด่นสุรา คิดออกไปเที่ยวกลางคืนคิดคิดออกไปเล่นการพนันความคิดเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนภายในใจของเราเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเป็นเพื่อนที่จะชักจูงให้เราไปทำบาปทําทอากุศลเพื่อนแบบนี้เราต้องกำจัดเราอย่าไปคบค้าสมาคมด้วย เวลาเกิดความคิดที่ไม่ดีเราอย่าไปทำตามคิดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดไปลักทรัพย์อย่าไปทำตามคิดไปดื่มสุราคิดไปเล่นการพนันอย่าไปทำตามการไม่ทำตามความคิดเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับการไม่คบมิตรที่ไม่ดีนี้เองส่วนมิตรที่ดีเราก็มีอยู่ภายในใจเหมือนกัน เช่นเวลาที่เราคิดดีคิดไปในทางกุศลคิดไปในทางบุญเช่นคิดอยากจะมาวัดมาทำบุญหรือคิดอยากจะตักบาตรมาวัดไม่ได้ก็ขอให้ได้ตักบาตรถ้าตักบาตรไม่ได้ก็ขอให้เอาเงินไปบริจาคที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้ไปบริจาคตามโรงพยาบาลโรงเรียนหรือที่ เขามีการทำคุณประโยชน์เช่นกับมูลนิธิต่างๆก็ได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้หรือถ้ายังไม่มีโอกาสมาเอาเก็บไว้ในกระปุกก่อนก็ได้ซื้อกระปุกบนกระปุกบุญมาสักใบหนึ่งกระปุกที่เป็นรูปบาทนี้ก็มีแล้วเราก็เอาเงินใส่ไปในกระปุกนั้นพอเรามีโอกาส ไปวัดที่เรามีความศรัทธาเคารพเรื่มใสเราก็เอาเงินที่เราใส่ไว้ในกระปุกนี้ไปทำบุญที่วัดอย่างนี้เราก็ไดุ้เหมือนกันส่วนกุศลนี้ก็คือการมีปัญญาหรือมีความรู้นั่นเองเพราะคำว่ากุศลนี้แปลว่าความฉลาด พอเราจะฉลาดได้ก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนของคนฉลาดก็คือได้ยินได้ฟังพรอธรรมคาสอนของพพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเช่นวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมล้วก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับใจของเรา ไม่มีอะไรที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าความสุขและความทุกข์ของใจของเราความสุขของใจเราเราก็รู้แล้วว่าเกิดจากบุญเกิดจากกุศลความทุกข์ของใจเราก็รู้แล้วว่าเกิดจากบาปเกิดจากอกุศลพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็จะได้ปฏิบัติตามพอเราสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเราละบาป และคุสมออกไปจากใจของเราใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมได้อยู่ที่บ้านเราก็เอาหนังสือธรรมะที่เราได้รับจากทางวัดเปิดอ่านดูก็ได้หรือเอาแผ่นซีดี ที่เราเอากลับไปที่บ้านเปิดอ่านดูเปิดฟังดูก็ได้อย่างนี้เราก็จะได้กุศลเมื่อเราได้กุศลแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามเพราะเมื่อเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะนอกจากการให้ทานแล้วเรายังต้องบำเพ็ญ จิตตภาวนาคือเรายังต้องนั่งสมาธิเราต้องเจริญวิปัสสนาอีกเพราะบุญกุศลที่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะนี้เป็นส่วนย่อยถึงแม้จะเป็นส่วนสำคัญแต่ไม่พอเพียงที่จะทำให้บุญกุศลมีอยู่เต็นหัวใจบุญกุศลจะมีอยู่เต็นหัวใจได้ก็ต่อเมื่อเรา ทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายแห่งสมาธิและชำระอกุศลต่างๆคือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจด้วยวิปัสสนาสมาธินี้ไม่สามารถชำระกิเลสตัณหาได้สมาธิเพียงแต่กดกิเลสตัณหาไม่ให้ทำงานเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้า เวลาหินถูกยะเวลาญ้าถูกหินทับแล้วย่าก็ไม่สามารถจเจริญงอกงามขึ้นมาได้พอเอาหินออกไม่กี่วันพอได้น้ำได้ฝนย้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ฉันได้กิเลสตัณหาก็จะสงบตัวลงเวลาจิตอยู่ในความสงบของสมาธิ แต่พอจิตถอนออกจากสมาธิออกมาคิดออกมาเห็นมาได้ยินแล้วกิเลส ก, ก็จะออกมาเพ่นพ่านต่อเวลาเห็นอะไรก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธตามมาเวลาได้ยินอะไรก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธตามมาเวลานั้นถ้าเราต้องการจะฆ่ากิเลสเราก็ต้องใช้วิปัสสนาสอนใจว่าสิ่งที่เราโกรธ หรือสิ่งที่เรารักนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้หนหรือเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราอยากให้เขาดีกับเราไม่ได้เราอยากจะให้เขาไม่ดีกับเราก็ไม่ได้อยู่ที่เขาถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ทาใจเฉยๆ uh เวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเมื่อเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่มีความอยากเราก็จะไม่โลภไม่เกิดแต่อย่างใดถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะไม่เกิดความโลภตามมาส่วนใหญ่เราไม่คิดอย่างนี้กัน เวลาเห็นอะไรเรามักจะคิดว่าดีได้มาแล้วจะมีความสุขแต่เราไม่เคยคิดถึงความทุกข์ที่ตามมาด้วยเช่นเวลาเห็นคนที่เราชอบอกชอบใจเราก็อยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองของเราเพราะเราคิดว่าได้เขามาแล้วเราจะมีความสุขแต่เราไม่คิดถึงความทุกข์ที่ตามมากับเขาด้วยเวลาอยู่กับเขา ก็ต้องหว่วงต้องหว่วงถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องทุกกับความไม่ดีของเขาเช่นเขาไม่ดูแลเราเขาทุบร้ายเขาทุบทำร้ายเราเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความทุกข์กับเขาส่วนนี้เราไม่เห็นกันเราจะคิดว่าเขาจะดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะลากเราไปตลอด เขาจะซื่อสัตย์กับเราไปตลอดเขาจะดูแลเราไปตลอดนี่เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงถ้าตรงกับความจริงพวกเราทุกคนก็คงไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับคนที่เรารักกับคู่ครองของเราแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนดีถึงเวลาเกิดเขาจากเราไปอย่างกระทันหันเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไหง้อีก นี่เป็นสิ่งที่เราไม่คิดกันเพราะเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วเราจะต้องคิดถึงเรื่องแบบนี้เราต้องคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเราต้องคิดถึงความทุกข์ของสิ่งต่างๆและเราต้องคิดถึงความที่เราไม่สามารถบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราเจริญวิปัสสนาคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปเวลาเราเห็นอะไรถ้าอยากได้อะไรขึ้นมาความคิดนี้วิปัสสนานี้จะมาตัดทันทีจะบอกว่าทุกข์นะไม่เที่ยงนะไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้นะพอมีวิปัสสนาแล้วมันก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่อยากได้อะไรมันก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เพราะใจนี้ไม่ต้องมีอะไรถึงจะมีความสุขถ้ามีอะไรแล้วจะต้องมีความทุกข์ทันทีนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ความสุขของใจอยู่ที่การปล่อยวางอยู่ที่การตับอยู่ที่การไม่มีอะไรอยู่แบบว่างเปล่าเรียกว่าปรมางสุนอย่างใจไม่มีอะไร ไม่มีเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์ไม่กังวลกับสิ่งต่างๆนั่นเองพอมีอะไรขึ้นมาปับ๊บก็ต้องมาทุกข์มากังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขอย่างถาวรเราต้องเจริญวิปัสสนาถ้ายัางเจริญไม่ได้ก็ทำสมาธิไปก่อนถ้าทำสมาธิไม่ได้ก็ทำบุญไปก่อน รักษาสิ่ไปก่อนละบาปไปก่อนพยายามตัดความโลภความโกรธความหลงไปบ้างถึงแม้จะตัดไม่ได้มากก็พยายามตัดมันไปอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปหามาไปซื้อมาเสื้อผ้าพามีเต็มตู้แล้วก็อย่าไปซื้อมาใหม่รองเทา้ามีเต็มตู้แล้วก็อย่าไปซื้อมาใหม่ใช้ของเก่าให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไปซื้อใหม่นี่คือการตัดอกุศล ตามฐานะที่เราพอจะทำได้กันถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนแล้วต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวและใจของเราจะไม่ต้องไปเวยนร่ายตายเกิดอีกต่อไป mm hmm. ฉะน้ขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล ม, มาชำระบาปและอกุศลทั้งหลายให้หมดไปจากใจ ให้ท่านได้นำไปพินิพจณ า, าและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลัตนาตรายัยมีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มามาแ็่กันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย